คือยินศรัทธาและยินผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรทั้งปลายของแต่ละพวกหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงการเรียกร้องของทัรอซูลสัลลัลลอไฮุอะลัยอะสัลลัมและการห้อมล้อมของพวกยินรอบๆตัวท่านขณะที่พวกเขาได้ยินท่านอา่ cuidado, อานอัลกุรอานบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงขอบเขตอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยการรอบรู้สิ่งเร้นลับและการห้อมล้อมของโปรง่งโดยการรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาล ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอุออูนนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าได้มีองค์การมายัางฉันว่า แท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังชั้นอ่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลาดนำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจรึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นและเราจะไม่ตั้ง ผู้ดเเป็นภาาาคีต่อออพรระิบลขงและความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้น ส, สูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีพัญญาและบุตรและแท้จริง คนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลลอ์อย่างเกินเหตุและแท้จริงเราคิดว่ามนุษย์และยินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลลอ์เป็นอันขาด และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางตนดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทำให้พวกเขายินเพิ่มการยิงจงหองมากขึ้น أ ا. และแท้จริงพวกเขามนุษย์คิดเช่นเดียวกับที่พวกท่านยินคิดว่าอัลลอฮจะไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้น เป็นนสาทูและถทาจริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวณนชะั้นฟ้าแต่เราได้พบณที่นั้นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลวเพลิง และถ้าจริงเราเคยนั่งหน้าสถานที่นั่งในท้องฟ้า น, นั้นเพื่อฟังแต่ขณะนี้ผู้ใดนั่งฟังก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับพวกเขาและถ้าจริงเราไม่รู้ดอกว่า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 ا أ และถ้าจริงเราคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอในผ่นดินนี้และเราจะหนีไม่รอดพ้นไปจากพระองค์ และถทาจริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระผู้อิบานของเขาเขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและความอายุติธรรมว่าอัลนเราก่านนั้นดังนั و นผูินากะมันกรอลาม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 พวกเขาก็เป็นฝืนของไฟนรกและหากพวกเขาดำรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีปัจจัยอย่างชีพที่กว้างขวางบ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 ดังนั้นพวกเจ้ายาววิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลอฮฺและแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอ์มฮัมหมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพรลงพวกเขายินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแ น, น่น จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันจะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ um an จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้าจงกล่วเถิดมูัาริัมีอนะหุวกเจ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 เว้ น, น, นแต่ฉันจะเผยแผ่สิ่งที่ได้รับจากอัลลอ์และสารของร่งและผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอ์และรอซูลของร่งแท้จริงสำหรับเขานั้นคือฝ่ายนรกโดยจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล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 และพระองค์ทรงนับจำนวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน